เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553เป็นวันก่อนวันมาฆบูชาหนึ่งวัน ปกติวันมาค้าบูชาจะตรงกับวันเพ็ญเดือนสเพราะมาคะนี้เป็นชื่อของเดือนสามในสมัยพระพุทธการแต่ในปีนี้วันมาคะาจะตรงกับวันเพ็ญเดือนสี่เนื่องจากปีนี้มี13เดือนด้วยกัน คือจะมีเดือนแปดสองครั้งตามจันทรคติคือปีนี้จะมีพระจันทร์เต็มดวง13าครั้งด้วยกันปกติจะมีเต็มดวง12ครั้งทุกสองสามปีแล้วพอปีที่สก็จะมี13าครั้งด้วยกันเนื่องจาก ปีที่เรานับตามสุริยคติกับปีที่เรานับตามจันทรคตินี้จะไม่ตรงกันเดือนของจันทรคติกับเดือนของสุริยคตินี้ไม่ตรงกันเดือนของจันทรคตินี้จะทุก29วันครึ่งก็จะเป็นวันเพ็ญหนึ่งวันหรือทุก59วันก็จะมีวันเพ็ญสองครั้งส่วน วันเดือนของทางสุเรคตินี้จะมี30สวันโดยเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นทางเดือนของจันทรคตินี้จะสั้นกว่าเลยทุกสามปีเลยต้องเพิ่มเดือนขึ้นมาเดือนเพราะมี13เดือนก็เลยเพิ่มเพิ่มตรงที่เดือน8ที่เราเคยได้ยินว่ามีเดือน8 2สองครั้งหรือ มี8หน้ากับแปดหลังซึ่งจะตรงกับวันเข้าพรรษาเดือนเข้าพรรษาเดือนเข้าพรรษาถ้ามีปีถ้ามี8ปดสองครั้งก็จะเข้าเข้าหลังคือเข้าแปดหลังแปดแรกนี้มันยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรงกับฤ ด, ดูฝนมันเป็นเหมือนเดือนเจของปีอื่นๆเช่นเดียวกับ วันมาคับบูชาหรือวิสาขา บ, บูชาที่จะต้องเลื่อนไปเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันจะเร็วเกินไปเดือนสามปีนี้ยังยังอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ก็เลยต้องเลื่อนให้ไปอยู่เดือนมีนาเป็นเดือนสแล้วก็วันวิสาขา บ, บูชาปกติก็จะอยู่เดือนหหรือหรือประมาณเดือนพฤษภาก็จะเลื่อนไปอยู่เดือน เดือนเจ็เดือนมิถุนายนนี่เป็นเฉพาะเดือนที่มีอาิตกรรมาหรือมีแปดสองครั้งหรือมีจันมีพระจันทร์เต็มดวง13าครั้งด้วยกันนี่ก็เป็นที่มาของวันมาฆะวันวิสาขะที่ไม่ตรงกับวันเพนเดือนสาหรือวันเพนเดือนหเนื่องจากต้องมีการเพิ่มเดือนขึ้นมาอีกเดือนหนึง่ง ดังนั้นจึงขอให้ญาติโยมได้เข้าใจดังที่อธิบายนี้ว่ามีบางท่านได้มาถามว่าทำไมไม่ตรงกับวันเพ็ญเดือนสาก็เป็นเพราะว่าเดือนของจันทรคติกับเดือนของสุริยคตินี้ไม่เท่ากันนนแต่จะตรงกับวันไหนนั้นก็ไม่สำคัญ เท่ากับให้เรารู้ถึงความหมายรือหรือรู้ถึงความเป็นมาของวันมาคาบูชาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความสำคัญอย่างไรวันมาคาบูชานี้เป็นตรงกับตรงกับวันที่มีพระอาหารหันตสาวบของพระพุทธเจ้าหนึ่งรรูปได้มาเฝ้ า, าพระพุทธเจ้า จากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนเหมือนญาติโยมที่มาทําบุญกันในวันนี้ก็ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนว่าจะมาที่นี่แต่ก็มาเพราะว่ามีจุดประสงค์หรือมีเป้าหมายอันเดียวกันคือเห็นว่าเป็นวันหยุดมีเวลาว่างจากภารกิจการงานก็เลยอยากจะมาทําบุญที่วัด เช่นเดียวกับพระอารันตสาวม1250รรูปท่านก็มีความคิดอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาบูชาพระพุทธเจ้าเนื่องจากมีความกะตัญยูกะตะเวทีมีความซาบซึ้งในพระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนให้ท่านเหล่านี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้เป็นพระอาหารหันต์สาวกเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในจิตในใจจึงได้ลำลึกถึงกุณอันใหญ่หลวงนี้เลยได้เดินทางมาจากทิศทางต่างๆเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าปรากฏการนี้ มีการแสดงบอกไว้ว่าเป็นปรากฏการที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเจ็เดือนหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกคือในวันเพ็ญเดือนแปดที่เรียกว่าวันอาสาห บ, บูชาหลังจากที่ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก ก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากตามลำดับจนถึงนงวันเพ็ญเดือนสาคือวันมาฆะนี้ก็มีพระอาหารหันต์อย่างน้อย 1,250 ลรูปที่ได้ปรากฏตนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มาสจย์สำหรับโลกเพราะการเกิดขึ้นของพระอาหารหันต์นั้นไม่ใช่เป็นสิ่ง ที่ง่ายดายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรูปแล้วประกาศพระธรรมคําสอนจะไม่มีผู้ใดสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันต์ปรากฏหลงเหลืออยู่ในโลกเลยเป็นเวลาอันยาวนานเป็นเวลาเป็นกลับเป็นกันแต่พอมีพระพุทธเจ้า มาตัดสรุแล้มาประกาศสั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธามีอินทรีย์มีบุญบารมีที่แก่กล้าพอที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างง่ายดายบางท่านเพียงแต่ได้ยินได้ฟัง ในขณะนั้นก็สามารถบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้นี่คือความวิเศษของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสารกคือของพระอาหารหันต์ตสาวกทั้งหลายที่พวกเราได้ยึดถือเป็นชระที่พึ่งท่านเป็นเหมือนผู้นำทางท่านเป็นเหมือนผู้มีแสงสว่าง ในที stream, hear, e ่มืดทำให้พวกเราสามารถเห็นสิ่งต่างๆรอบใจของเราได้เห็นว่าอะไรเป็นคุณเห็นว่าอะไรเป็นโทษแกบใจเห็นว่าอะไรจะทำให้เราเจริญก้าวหน้าอะไรจะทำให้เราเสื่อมเสียซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้ใน พระโอวาทปฏติโม ค, คือคำสอนที่ได้ทรงแสดงให้แก่พระอาหารหันต์ในวันนั้นซึ่งมีอยู่สามหัวข้อด้วยกันคือสัพปะปะปะสะอาการนังกุศลสูปะสัมปทาจิตตะปริโยดสนังเอตัมมังกาลมุมตมังคือหนึ่งการไม่ทำบาปทั้งปวงสองการทำ บุญทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. การชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัศนุกี่องค์ก็ตามทุกพระองค์จะสอนคำสอนทั้งสา น, นี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะคำสอนนี้เปรียบเหมืนอนยารักษาโรค คือความทุกข์ของใจนั่นเองเหมือนกับแพทย์ที่เรียนจบมารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่คนไข้ก็จะสอนคนไข้หรือจะรักษาคนไข้ด้วยวิธีเดียวกันคือสอนให้คนไข้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งคนไข้เมื่อปฏิบัติตาม ก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บหมอทุกคนก็จะรักษาคนไข้เหมือนกันเพราะโรคของคนไข้นี้ก็เป็นโรคที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีโรคชนิดเดียวกันฉันใดใจของสรมโลกก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็จะมีความทุกข์เหมือนๆกัน และมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถรักษาความทุกข์ใจของสามโลกได้และความคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ได้สรุปไว้สามหัวข้อใหญ่ๆอย่างที่ได้แสดงไว้คือข้อที่หนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเสียบาปคืออะไร บาปก็คือการกระทำทางกายทางวาจาที่เกิดโทษกับตนและผู้อื่นนั่นเองเช่นอะไรเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการรักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและการเสพสุรายาเมาเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดโทษกับผู้กระทาเอง และเกิดโทษกับผู้อื่นผู้อื่นก็ต้องรับเคราะกรรมจากการกระทำของของผู้กระทําเช่นไปฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นคนที่ถูกฆ่าเขาก็ต้องสูญเสียชีวิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและคนที่รักเขาคือญาติพี่น้องของเขาก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้จากการกระทําของผู้กระทํา การกระทำแบบนี้พระพุทธเจ้าทร ง, งตรัสว่าเป็นโทษแล้วก็เป็นโทษหลายประการผู้กระทำเมื่อทำแล้วก็จะต้องถูกจับไปลงโทษและเมื่อตายไปก็ยังมีโทษตามมาอีกเพราะเวลาตายไปนี้ตายเพียงครึ่งเดียวคือตายที่ร่างกายแต่ใจผู้เป็นผู้กระทำเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายไปฆ่านี้ ยังไม่ตายใจนี้ต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปไปตกนรกบ้างไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตเป็นผีบ้างนี่เป็นผลที่จะตามมาจากการกระทาบาปอบายนี้มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือเดรัจฉานอสุรกายเปรตและนรก ผู้ที่ทำบาปที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นเปรตหรือเป็นนรกนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการกระทำบาปถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้เช่นคนที่ไปธ ร, รมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือไปจับปลามาขายมาฆ่าอย่างนี้ เขาคิดว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเป็นความจําเป็นต้องทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าไม่ทาอาชีพนี้ก็จะตายได้คือจะไม่มีไม่มีรายได้ไม่มีอาหารมารับประทานเขาเลยถือว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแบบนี้ไม่เป็นบาปแต่ความจริงแล้ว เป็นบาปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลไกใดทั้งสิ้นถึงแม้จะป้องกันตนเองเพื่อรักษาชีวิตของเราเช่นเป็นทหารไปต่อสู้กับฆ่าศัศตรูแล้วต้องฆ่าเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาฆ่าเราอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นเหตุผลที่ดีทางโลกคือเป็นการปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศชาติแต่ในทางหลักธรรมหรือในหลักกรรมนี้ ก็ยังถือว่าเป็นการทำบาปอยู่ดีถ้าเป็นการกระทำบาปแบบนี้ท่านว่าตายไปแล้วจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานเขาก็ทำแบบนี้เดรัจฉานเขาต้องกัดกินสัตว์อื่นเพื่อที่จะดำรงชีพของเขาได้เช่นสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยปลาใหญ่กินปลาน้อยเป็นต้น นี่เป็นธรรมชาติของเดราัชานแล้วถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วยังใช้วิธีเดียวกันกับเดราัชานก็แสดงว่าจิตของผู้นั้นได้เสื่อมจากการเป็นมนุษย์ลงไปเป็นเดราัชานแล้วและเมื่อตายไปจิตที่เป็นเดราัชานก็ต้องไปเกิดเป็นเดราัชานนั่นเองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์เรายังอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์อยู่ ไม่อยากไปเป็นเดรัจฉานก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้เพื่อที่จะรักษาชีวิตของตนเองเช่นไปยิงนกตกปลาไปหาอาหารมาเลี้ยงชีพก็ไม่ทำถ้าจะหาอาหารก็อาหารที่ไม่ต้องฆ่าเช่นหาผักหาผ ล, ลไม้มารับประทานก็ยังสามารถอยู่ได้อาจจะอยู่ อาจจะไม่มีความสุขเหมือนกับการรับประทานเนื้อสัตว์เนื้อปลาแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ไปทำบาปจิตใจไม่ได้เสื่อมจากความเป็นมนุษย์การที่จะเป็นมนุษย์ได้นี้จะต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานการวัดคนวัดมนุษย์นี้ไม่ได้วัดที่รูปร่างหน้าตาแต่วัดที่ศีลธรรมถ้ายังไม่มีศีลธรรมครบทั้งห้าประการนี้ยังไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ครบ 100จะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่ว่าจะสามารถรักษาศีลได้มากหรือน้อยนั่นเองถ้าสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นมนุษย์ครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งก็จะมีพระอริยเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถรักษาศีลห้าได้บริสุดตลอดเวลาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ท่านจะรักษาศีลห้าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทุกเวลานาทีท่านจะไม่ยอมละเมิดการรักษาศีลดูเด็ดขาดท่านยอมเสียเสียสมบัติเสียเงินเสียทองหรือเสียแม้แต่ชีวิตเพื่อที่จะรักษาความวิเศษคือความเป็นมนุษย์นี้เอาไว้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่า ให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมคุณธรรมขั้นต้นก็คือศีลธรรมนี้เองพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะมีคุณค่ายิ่งกว่าคุณธรรมชีวิตนี้ยังไม่มีคุณค่าเท่ากับคุณธรรมแล้วนับภาษาอะไรกับ เรื่องสมบัติเข้าของเงินทองหรือเรื่องอวัยวะต่างๆของร่างกายพระองค์ทรงลำดับความสาคัญไว้ดังที่ได้ได้แสดงไว้คือทพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นของที่มีค่าน้อยที่สุดของที่มีค่ากว่าทรัพสมบัติเงินทองก็คืออวัยวะของร่างกายและชีวิตนี้มี คุณค่ายิ่งกว่าอวัยวะแต่คุณธรรมนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตเสียอีกถ้าเราอยู่โดยไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลห้านี้ก็อยู่ไปแบบไม่มีคุณค่าอะไรแต่ถ้าตายไปเพื่อรักษาศีลห้าว้นี้เราจะตายไปด้วยการมีคุณค่าเพราะเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันที ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายเช่นพระโสดาบันนี้ท่านมีภพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติและภพชาติทั้งเจ็ดนี้จะไม่มีอบายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านจะกลรมมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวไม่เกิดต่ำกว่านั้นถึงแม้ท่านอาจจะเคยทำบาป ท, ทำกรรมมามากน้อยเพียงไรในอดีตก็ตามแต่บาปกรรมเหล่านั้นหมด ความสามารถที่จะส่งให้ท่านกลับไปเกิดในอบายได้นี่คือความสำคัญของศีลห้าของคุณธรรมของการไม่กระทำบาปทั้งปวงนี้เองเพราะพุทธเจ้าจึงทรงเน้นการไม่ให้ทำบาปนี้เป็นคำสอนลำดับแรกเลยถึงแม้เราจะไม่ได้ทำบุญไม่มีเงินไม่มีทองจะมาทำบุญ ไม่มีเวลาที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นดังน้อยที่สุดเราก็ไม่ควรที่จะไปทาบาปการไม่ทาบาปนี้ก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยอย่างพวกเราขณะนี้ก็ไม่ได้ทําบาปกันแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆฟังเทศฟังธรรมเราไม่ได้ไปท่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปไปพืดผิดประเวณีไม่ได้ไปโกหกหลอกลวง ไม่ได้ไปดื่มสุรายาเมาทำไมเราไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราออกไปจากวัดแล้วใจของเราไปรับสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะแล้วถูกความหลงของเหล่านี้หลอกให้เราเกิดความโลภขึ้นมานั่นเองพอเห็นแล้วก็อดที่จะอยากไม่ได้พออยากแล้วก็ ต้องหามาให้ได้ถ้าไม่มีเงินมีทองก็ต้องไปหาเงินด้วยวิธีมิชอบไปขโมยเงินมาเพื่อที่จะมาซื้อของที่อยากได้อย่างที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคราวในหน้าหนังสือพิมพ์ในวิทยุมาตลอดเวลาว่าคนเหล่านี้เวลาอยากได้อะไรก็จะทําโดยวิธีมิชอบ เราก็คงได้ติดตามข่าวล่าสุดมาแล้วว่าเป็นอย่างไรคนนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เลือกหน้านะกิเลสไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเป็นคนยากจนหรือเป็นคนร่ำรวยไม่สำคัญถ้าลองถูกกิเลสคือความโลภความหลงปั่นจิตปั่นใจให้โลภให้อยากได้แล้วก็จะไม่คำนึงถึงเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรม เพราะเมื่อใจถูกความโลภครอบงำแล้วใจจะกระวนกระวายกระสับกระส่ายที่จะต้องทำในสิ่งที่ตนเองอยากได้หาในสิ่งที่ตนเองอยากได้มาโดยที่ไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะตามมาต่อไปนี่คือตัวอย่างที่พวกเราทุกคนคงจะเห็นกันว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่ทำบาปทำกรรมไปแล้วหาที่อยู่หาที่อาศัยไม่ได้ต้องคอยหลบหนีผู้ที่จะตามจับตอนมาลงโทษนี่คือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของการกระทำบาปถ้าทำบาปเพราะไม่รู้เช่นพวกที่มีอาชีพฆ่าสัตว์ตับชีวิตนี้ เขาตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าทำบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆทั้งๆที่มีเหลือกินเหลือใช้ทั้งที่ร่ำรวยอยู่แล้วท่านว่าพวกนี้ตายไปจะต้องไปเกิดเป็นเปรต<ม>เพราะเปรตนี้มีมีความอยากความหิวอยู่เสมอท่านวาดลูกของเปรตว่ามีปากเท่าลูเข็มแต่มีท้องเท่ากับตุ่มน้ํา ทิดูก็แล้วกันเปรตจึงมีแต่ความหิวกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอใจที่มีเปรตอยู่ในใจนี้ก็เป็นอย่างนั้นได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอกินมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มเหมือนคนที่กินจนพุงกากินจนร่างกายกลายเป็นตุ่มไปแต่ก็ยังอดที่จะกินไม่ได้เวลาที่จะรองรักษาตัวเองเพื่อ เพื่อลดน้ำหนักยังไม่สามารถทำได้เพราะความหิวความอยากของเปรตมันมีอยู่ในใจของตนนั่นเองนี่คือเรื่องของเปรตเป็นอย่างนี้ทำบาบเพราะความโลภความอยากไดนะ้ส่วนพวกที่ทำบาบเพราะความกลัวกลัวว่าจะอดอยากขาดแคลนกลัวว่าจะถูกคนนั้นคนนี้มาฆ่ามาทำลาย ก็เลยไปฆ่าเขาก่อนเพื่อป้องกันตนเองหรือเพื่อไปแย่งทรัพย์ของคนอื่นมาโกงทรัพย์ของคนอื่นมาเพราะกลัวจะยากจนกลัวจะลบาบากพวกนี้ก็จะกลายเป็นพวกอสุรกายแล้วส่วนพวกที่ฆ่าด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดพวกนี้ตายไปจะไปตกนรกเพราะความรุ่มร้อนของความเครียดแค้นความโกรดนี้เอง ที่จะทำให้จิตนั้นเป็นนรกขึ้นมาในคทั้งทั้งที่ยังไม่ตายไปแล้วเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนเช่นพระเทวทัตที่โกรธเกลียดพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ทรงมอบองนาจให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าจนถึงกับต้องลอบวงพระชนถึงสามครั้งด้วยกัน แต่ก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จนี่ก็คือเรื่องของการทําบาปด้วยเหตุผลต่างๆทําบาปด้วยความไม่รู้ทําบาปด้วยความโรคทําบาปด้วยความกลัวทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาททําบาปด้วยความโกรธความเกลียดพวกนี้ก็มีที่ไปเกิดต่างๆกัน อบายนี้จึงเป็นที่มาของจิตที่ทำบาปด้วยวิธีการต่างๆนั่นเองส่วนคำสอนข้อที่สองที่ทรงสอนว่าให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพรหมนี้ก็หมายถึงให้ทำบุญให้ทานให้สงเคราะห์ให้ช่วยเหลือผู้อื่นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นเองเช่นเป็นหมอรักษาโรคโดยไม่คิดสตังค์อย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้ทานแล้วถ้าวันไหนไม่มีโอกาสมาทำบุญที่วัดเปิดคลินิกวันนั้นอาจจะเปิดคลินิกฟรีหนึ่งวันก็ได้อย่างหมอบางท่านนี่จะเปิดคลินิกแล้วไม่เก็บสตาขนขดไข้หรือเก็บเพียงเล็กน้อยพอพอเป็นพิธีเช่นเก็บเพียงหบาทหรือ1บาทเท่านั้นเองอย่างนี้แสดงว่ากำลังทำบุญกำลังให้ทานอยู่ พวที่ทำบุญนี้ท่านก็บอกว่าจะมีสุขติเป็นที่ไปตายไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทพไปเป็นไปสวรรค์ถ้าทําบุญให้ทานและรักษาศีลดาก็จะไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆกันถ้าสามารถปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้ก็จะไปเกิดถึงชั้นพรหมเลยทีเดียว นี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลและนั่งสมาธิส่วนผู้ที่สามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังคำสอนข้อ ท, 3, ที่สที่ส่งสอนว่าให้ชำระจิตให้บริสุทธิ์ให้ตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจผู้นี้จะต้องเจริญธรรมะอีกขั้นหนึ่งก็คือวิปัสสนา หรือสมาธิหรือปัญญาต้องวิเคราะห์พิจารณาถึงสภาวะธรรมต่างๆที่จิตใจมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลถะหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารคือร่างกายหรือชีวิตของผู้อื่นหรือของตนเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีตัวไม่มีตนถ้าพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถปล่อยวางอุปทานความยึดติดในบุคคลเหล่านั้นได้ไม่ยึดติดในบุคคลต่างๆไม่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ที่แท้จริงรู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่โดยทางสมมุติแต่ความจริงนั้นเป็นเพียงร่างกายเป็นธาตุสีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเกิดแก่เจ็บตายเมื่อรู้อย่างนี้ก็จะไม่ยึดไม่ติด พอรู้ว่าพอไม่ยึดไม่ติดแล้วเวลามีการพลาดพลาดจากกันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์ไม่ร้อ ง, องห่มร้องไห้เพราะมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าร่างกายนี้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใครเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองเป็นเหมือนตัวละคร พวกเรานี้เป็นเหมือนตัวละครที่เขาสมมุติให้เล่นบทต่างๆให้เป็นพ่อให้เป็นแม่ให้เป็นพี่ให้เป็นน้องให้เป็นลูกให้เป็นหมอให้เป็นพระให้เป็นอะไรต่างๆบทบาทเหล่านี้เป็นสมมุติความจริงมันเป็นเพียงร่างกายที่มาจากดินน้ำลมไฟคือธาตุสี่แล้วก็มีการเกิดแก่เจ็บตายไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ถ้าพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะรู้ถันสมมติจะไม่หลงยึดติดกับสมมติว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นที่เราเป็นน้องเราเป็นลูกเราเป็นตัวเราเป็นของเราเวลาร่างกายนี้มีความเป็นไปถึงแก่ความตายก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะใจรู้แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา ไม่ใช่พ่อเราแม่เราไม่ใช่ภรรยาเราไม่ใช่สามีของเราไม่ใช่พี่เราไม่ใช่น้องเราไม่ใช่ลูกของเราเป็นเพียงร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่มารวมกันแล้วก็ต้องแยกกันในที่สุดถ้าสามารถปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุพระอริยขั้นต่างๆตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอารหันต นี่คือที่ไปของผู้ที่สามารถชำระจิตใจของตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้นี่ก็คือหน้าที่ของพวกเราที่เป็นชาวพุทธที่จะต้องปฏิบัติตามคําสอนทั้งสข้อนี้ข้อแรกนี้เอาข้อแรกนี้ให้ได้ก่อนอย่าทําบาปทั้งปวงถ้ายังไม่มีเงินทองทําบุญไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเริ่มทําบุญ อย่าไปขโมยเงินมาเพื่อมาทําบุญอย่าไปโกงเงินมาเพื่อมาทําบุญอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการของพ่อพระพุทธเจา้าท่านให้ทําบุญด้วยเงินที่เราหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์หรือเงินที่มันมีเหลือมาเป็นเงินที่เราไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้แล้วเช่นเราทํางานด้วยอาชีพบริสุทธิ์อาชีพสุจริตแล้วมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเราก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินนี้เอาไว้ทํำไม เราก็เอาไปทำบุญได้แต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องทำก็ ไ, ได้แต่ขอให้เรารักษาศีลให้ได้รักษาศีลไว้ให้ดีแล้วก็ชำระใจของเราให้ได้การปฏิบัติสองอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเราสามารถเจริญวิปัสสนาได้ทุกเมื่อทุกแห่งทุกคนเวลาเราเห็นอะไรก็สอนใจเราว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา เท่านั้นเองเราก็จะตัดความโลภจากความอยากได้แล้วจิตใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ได้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปคำสอนไว้สข้อด้วยกันที่พวกเราพึงพิจารณาอยู่อย่างสม่ำเสมอและพยายามปฏิบัติตามให้ได้เพราะเราจะได้รับประโยชน์ที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระ